อัลโหลทดลองเสียงที่ไหนไม่ได้ยินช่วยยกมือขึ้นจะได้ให้ทีมงานไปปรับเสียงให้ได้ยินทุกคนนะถ้าฟังทําไม่ได้ยินก็เหมือนกับไม่ได้ฟังงั้นฟังก็ต้องได้ยินถ้าไม่ได้ยินเสียงไม่ต้องเกรงใจบอกได้ ทางทีบงานมาเพื่อรับใช้ท่านมาด้วยความยินดีเพราะไม่ได้ขอร้องให้มามากันเองตามศรัทธาถือว่าเป็นการทำธรรมท า, านเป็นการแบ่งปันธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับธรรมะการให้ธรรมะจึงเป็นการชนะการให้ทั้งปวงให้เงินให้ทองก็สู้ให้ธรรมะไม่ได้ให้ยศให้ตําแหน่งก็สู้ให้ธรรมะไม่ได้ให้สามีให้ภรรยาก็สู้ธรรมะให้ธรรมะไม่ได้อ นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้นี้มันจะให้เราทุกข์กันไม่ใช่เพราะมันไม่เที่ยงนะได้มาแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็จากเราไปเวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้แต่ถ้าได้ธรรมะแล้วนี้จะไม่มีวันจากเราธรรมะนี้จะอยู่คู่กับใจไปตลอดอนันตการนะ นี่แหละคือความประโยชน์ความประเสริฐของธรรมอยู่คู่กับใจแล้วก็ให้ความสุขกับใจด้วยป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้ปรากฏขึ้นมาในใจการฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะจะได้เรียนรู้วิธี สร้างธรรมขึ้นมาภายใน ใ, นใจนั่นเองดั mm hmm. งนั้นเวลาฟังธรรมควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ mm hmm. เพราะถ้ากายวาจาใจไม่สงบธรรมจะไม่เข้าไปสู่ใจ mm hmm. ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวยังทำอะไรอยู่ใจจะไปอยู่กับการเคลื่อนไหว อยู่กับการทำงานของร่างกายเสียงที่เข้ามาก็จะเข้ามาหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปพราใจไม่ได้หันมารับธรรมเช่นเดียวกับการพูดคุยกันเวลาพูดคุยกันใจก็จะไปอยู่กับเรื่องที่คุยกันเรื่องของธรรมที่มาเข้ามาทางหูก็จะไม่เข้าไปในใจ ใจที่ไม่สงบใจที่คิดถึงเรื่องราวต่างๆในขณะที่ฟังธรรมก็เหมือนกัน <Yeah. S 1> ใจก็จะอยู่กับเรื่องที่คิด mm. ไม่ได้อยู่กับธรรมที่ได้ยินธรรมก็จะไม่เข้าไปในใจเ <Yeah. S 1> มื่อเขาไม่เข้าไปในใจใจก็จะไม่รู้ว่าธรรมเป็นอย่างไร <Yeah. S 1> วิธีที่จะทำให้เกิดธรรมขึ้นมาในใจ เกิดขึ้นมาได้อย่างไรดั <Yeah. S 1> นั้นการฟังธรรมจึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ <Yeah. S 1> แล้วจะได้รับประโยชน์ได้รับอนิสงส์ <Yeah. S 1> ถ้ากายวาจาใจไม่สงบ <Yeah. S 1> จะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรม <Yeah. S 1> เป็นเหมือนทัพพีในหม้ อ, อกแกง ถ้าปีในหม้อแกงอยู่กับแกงนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าแกงในหม้อนั้นเป็นแกงชนิดไหนเป็นแกงเผ็ดแกงจืดหรือแกงหวานก็จะไม่รู้การฟังธรรมถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบจะเป็นเหมือนกับลิ้นกับแกงลิ้นกับแกงนี้เวลาแกงมาสัมผัสกับลิ้น เพียงหยดเดียวเท่านั้นเพียงแป๊บเดียวจะรู้ทันทีว่าเป็นแกงชนิดไหนมีรสจืดรสหวานหรือรสเผ็ดนี่แหละคือสาระของการฟังธรรมต้องฟังด้วยใจใกายวาจาใจที่สงบอย่าให้ใจไปคิดเรื่องกล่าวต่างๆให้จดจ่ออยู่กับการฟัง แล้วธรรมก็จะเข้าไปในใจจะเข้าไปทำให้เกิดผลจากการฟังธรรมผลหนึ่งที่จะได้รับก็คือความสงบฟังแล้วธรรมจะกล่อมใจให้เย็นให้สงบผลที่สองก็คือจะได้ปัญญาได้ความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อน เป็นความรู้ที่ไม่มีสอนที่ไหนในโลกนี้สอนที่เดียวเท น, นั้นคือสถาบันพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันที่เรามาลํำลึกถึงวันก่อตั้งพระพุทธศาสนาวันอาสาหบูชาเนี้เป็นวันเหมือนกับวันที่เราตั้งเสาหลักของศาสนา สาหลกของาศาสนาคืออะไรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าว่าหลานตัศม์ ม, มาสัมพุทธเจ้าที่ได้ส่งตัดสรู้ความรู้อันวิเศษที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้เห็นได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ได้ทรง ตัดสนรู้ได้พบความรู้อันประเสริฐที่จะพาให้ผู้ที่ได้รู้ความรู้นี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ได้พบกับความรู้อันนี้ <Yeah. S 1> จะต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> ไม่มีวันสิ้นสุด yeah. วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเป็นการสั่งสอนธรรมะที่ได้ทรงตัดสัลุเป็นครั้งแรกให้แก่พระปัญจวัคคีคือภาพผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้ามาก่อนศึกษากับพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่ได้ แยกทางไปช่วงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรุแต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุแล้วก็คิดถึงพระปัญจวัคคีเพราะเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะศึกษาพระธระรมันโตเสฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปได้ เป็นผู้ที่มีศักยภาพคือมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่ใจสงบตั้งมั่นพร้อมที่จะรองรับปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุวอได้ทรงแสดงธรรมเสร็จหนึ่งในพระบัญจาวะคี ก็บรรลุธรรมขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้นแน่นอนสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับได้เช่นร่างกายนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดามผู้ที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะปล่อยวางร่างกาย<ม>จะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกาย<ม>จะไม่ฝืนความจริงของร่างกาย ยอมให้ร่างกายแก่ยอมให้ร่างกายเจ็บยอมให้ร่างกายตายพอยอมแล้วใจก็จะสงบใจก็จะหายทุกจากความแก่จากความเจ็บจากความตายนั่นเองนี่คือการปรากฏขึ้นของเสาหลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานี้ถ้ามีเสาหลักแล้วก็จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกได้เป็นเวลาอันยาวนานถ้ายังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ศาสนาพุทธยังเกิดขึ้นมาไม่ได้เช่นในวันเพ็ญเดือนหเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา คือวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตัดสรุ้โลกุตตระธรรมธรรมที่เหนือโลกธรรมที่ให้พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่เพียงมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นคือมีพระพุทธรัต น, น ยังไม่มีพระธรรมรัตนะยังไม่มีสังฆรัตนะจึงยังไม่มีพระพุทธศาสนาที่จะมาทำหน้าที่อบรมสั่งสอนสัตว์โลกให้เข้าถึงโลกุธรธรรมอันประเสริฐนี้เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากโลกุทธรธรรม คือทําให้จิตใจของผู้ที่ได้ศึกษาโลกุตรธรรมได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งหลุดพ้น mm hmm. พอสอเดือนหลังจากที่ได้ส่งตัดสรู้ mm hmm. พระพุทธเจ้าก็ทส่งตัดสินพระทัย มาโปรดพระปัญจวัคคีนำมาเอาธรรมะอันประเสริฐคือโลกุตละธรรมนี้มาสั่งสอนให้แก่พระปัญจวัคคีพระปัญจวัคคีนี้เปรียบเทียบเหมือนเป็นนักศึกษานักเรียนเหมือนพวกท่านทั้งหลายตอนนี้ก็เป็นเหมือนนักศึกษานักเรียนท่านเรียกว่าสาวก คำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังผู้ฟังคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนสาวกเป็นผู้ฟังเป็นผู้ผศึกษาในวันนั้นก็มีครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นปรมาาจารย์แล้วก็มีหลักสูตรที่เอามาสอน คือพระธรรมคําสอนโลกุตละธรรมแล้วหลังจากที่ได้ทรงสอนเสร็จนะเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงท น, นั้นหนึ่งในผู้ศึกษาก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานะบรรลุขั้นที่หนึ่งของพระอริยบุคคลนะคือได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ถือว่าถ้าได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นสูงสุด mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า mm hmm. จึงทำให้เวลานั้นมีพระรัตนาตรัยปรากฏขึ้นมาครบองค์ mm hmm. มีพระพุทธรัตนะคือพระพุทธเจ้า mm hmm. มีพระธรรมรัตนะคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนในวันนั้น แล้วก็มีพระอริยสงสาวคุคือพระอัญญาณโกนทัญญะผู้ได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันจึงทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์พอมีพระรัตนตรัยครบองค์ก็จะเป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมาทันที พร้อมที่จะเอาธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปได้เพราะว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวถ้าพระพุทธเจ้าตายไปก็จะไม่มีใครมาเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้ไปสั่งสอนผู้อื่นได้ แต่พอมีพระ อ, อริยะสองสาวกปรากฏขึ้นมาเริ่มต้นก็ปรากฏขึ้นมาหนึ่งองค์แล้วเดี๋ยวก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆพะพระพุทธเจ้าจะทรงสแสดงธรรมไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเกือบทุกวันก็ได้ว่าได้ยกเว้นวันที่ไม่สบาย วันที่ท่านสบายนี้ท่านจะแสดงธรรมวันละสามรอบด้วยกันรอบบ่ายนี้แสดงธรรมให้กับศรัทธาญาโยรอบคำ่ำแสดงธรรมให้กับนักบวชเพื่อภิกษุภิกษุณีสัมมาเนสสัมมนเนรแนักรอบดึกก็ทรงสอนพวกเทวดาทั้งหลายแล้วในายามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาท ก็ทรงเร็งยานดูว่ามีใครพร้อมที่จะรับธรรมันประเสริฐในวันนั้นได้พระองค์ก็จะท่งมุ่งไปหาบุคคล น, นั้นเพื่อแสดงธรรมโปรดบุคคล น, นั้น yeah. Yeah. งนั้น mm hmm. หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแต่ละครั้งนี้ mm hmm. มักจะมีผู้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขขึ้นมา mm hmm. โดยเฉพาะในยุคแรกๆ พระพุทธเจ้าทรงมุ่งไปสอนผู้ที่พร้อมที่สุดมีความพร้อมที่สุดคือพวกนักบวชทั้งหลายพร้อมอย่างไรพร้อมด้วยศีลที่บริสุทธิ์นพร้อมด้วยสมาธิจิตที่ตั้งมัน่นเป็นจิตที่อุเป็นมีอุเบกขาจิตที่มีความโลภความรักชังกลัวหลง น้อยมากเบาบางมากด้วยอำนาจของสมาธิแต่ยังไม่ตายแต่เป็นจิตพร้อมที่จะน้อมเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้ทันทีครั้งหนึ่งทรงไปทรงไปแสดงให้กับนักบวชในสำนักหนึ่งมีนักบวชอยู่ห้าร้อยรูปด้วยกันหลังจากทรงแสดงธรรมเสร็จ นักบวชทั้งห้าร้อยรูปนี้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาพร้อมๆกันเลยเพราะจิตใจเขาพร้อมเขารอปัญญาท่านนั้นเขามีศีล <brewer> เขามีสมาธิแล้วเขามีปรรัญญาเขาไม่มีปรรัญญาพอพระพุทธเจ้าเอาปัญญามาสอนเขาท่านนั้นเองสอนเรื่องอริยสัจสี่สอนเรื่องไตรลักษณ์เขาก็สามารถน้อมเอาอริยสัจสี่ไตรลักษณ์ เข้าไปทำลายกิเลสตัณหาโมหะาอาวิชชาที่เป็นตัวพาให้จิตใจติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดได้การสแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งนี้มักจะมีผู้บรรลุธรรมทั้งนั้นบางทีสแสดงเพยงสั้นๆสองสามคำพูดก็บรรลุได้เช่นมีโยมท่านหนึ่งชื่อพาหิยะ ได้พบกับพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงบินทบาตรอยู่แต่มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากจะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมเวลาบินทบาตรไม่ไม่เหมาะกับการแสดงธรรมแต่พายะก็ยืนยันขอร้องให้พระพุทธเจ้าโปรดแสดง แม้แต่คำสองคำก็ยังดีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมแบบสั้นๆว่าเธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเธอได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินเธอรู้อะไรก็สักแต่ให้รู้เท่านั้นเขาก็บรรลุธรรมได้บรรลุได้อย่างไรพระพุทธเจ้ารู้ว่าบรรลุได้อย่างไรก็รู้ว่าพอเขาฟังธรรมเสร็จเขาก็ขอบวชจัก กับพระพุทธเจ้าแล้วก็ขออนุญาตลาไปเตรียมบริขารนะเพื่อมาบวชแต่มันเป็นวาลกรรมของพายะที่จะต้องเสียชีวิตในวันนั้นระหว่างทางก็ไปถูกกระทิงขิดตายเพราะเขามาแจ้งให้พระพุทธเจ้าทราบ พ, นะนะพระพุทธเจ้าก็สรงรับสั่งว่า ให้ทำการชาพนากิจชายคนนี้แล้วให้เก็บอัฐิบรรจุไว้ในสถูในเจดีในสมัยพุทธกาลนี้ <Yes. S 1> เขาจะเอาสถูเอาเอากระดูกของผู้สำคั ญ, <Yes. S 1> ส, ำคญสำคัญบรรจุไว้ในสถูในเจดีเท่านั้น <Yes. S 1> เช่นพระมหาจากักร <Yes. S 1> พรรดิพระพุทธเจ้าพระปัจเจกข้พุทธเจ้าและพระอรหันต์มีแสดงว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่า พัยะนี่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว <Yeah. S 1> เพียงแต่ฟังทำเพียงสองสามคำสองสามคำเท่านั้น <Yeah. S 1> แต่ปัญญาเขาฉลาดแหลมคมมาก <Yeah. S 1> เขาเข้าใจความหมายมากได้ยินอะไรได้เห็นอะไร <Yeah. S 1> ได้รู้อะไรอย่าให้มีเกเลรเข้ามาแทรกนั่นเอง yeah. ไม่เหมือนกับพวกเรานี่ยพอได้ยินอะไรได้เห็นอะไรได้รู้อะไรกิเลสมาทันทีถ้าไม่โลภก็โกรธ ถ, ถ้าไม่โกรธก็กลัวถ้าไม่รักก็ชังนี่เป็นธรรมชาติของจิตใจของปุถุชนมีความรักชังกลัวหลงครอบงำอยู่พอเห็นอะไรก็จะเกิดความรักความชังความกลัว ความหลงขึ้นมา ท, าทันทีแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมา ท, าทันทีแต่ผู้ใดที่สามารถเห็นแล้ววางเฉยได้เห็นอะไรก็วางเฉยได้ยินอะไรก็วางเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงผู้นั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้นี่แหละคือ เรื่องของสถาบันการศึกษาคือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาดำรงมาอยู่ถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากไปว่าพระธรรมวินัยคือคําสั่งคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ นี่จะเป็นศาสดาของพวกเราของพวกเราชาวพุทธคือพระพุทธเจ้านี้อยู่ในพระธรรมคำสอนนี้เองถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเราก็จะอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราดงนั้นเรายังถือว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ยังมีพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกแสดงธรรม สั่งสอนให้พุทธบริษัทสีได้ศึกษาได้นำมาไปปฏิบัติและได้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากมากันอย่างต่อเนื่องนี่แหละคือเสาหลักของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรง สร้างขึ้นในวันนี้เมื่อ 2,608 ปีมาแล้วเพราะวันอาสาห บ, บูชานั้นเป็น45ปีก่อนพุทธศักราชตอนนี้เรามีพุทธศักราช 2,563 ปีบวกอีก45ปีเข้าไปก็ได้ 2,600 ปี นี่คืออายุของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เป็นสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่สูงสุดของโลกเพราะว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่สอนวิชาที่สูงสุดของโลกที่ไม่มีสถาบันการศึกษาใดในโลกนี้สอนได้ คือโรกุตตะลธรรมธรรมที่เหนือโลกธรรมที่ทำให้ผู้ที่ศึกษาปฏิบัติและบรรลุผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันนี้ได้หลุดพ้นจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดโลกของไตรภพคือการมาภพรูปภพและอรูปภพจึงถือว่าเป็นความรู้ที่สูงสุด เป็นสถาบันการศึกษาที่สูงสุดสถาบันการศึกษาอื่นๆที่มีอยู่ในโลกนี้แม้จะเป็นระดับหนึ่งของโลกก็ตามก็ไม่มีวิชานี้สอนไม่มีวิชาโล ก, กุตตรธรรมสอนผนะู้ที่ศึกษาจากสถาบันอันดับหนึ่งของโลกก็ยังจะต้องติดอยู่ในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ จะต้องไปเกิดในการประพบบ้างไปเกิดในรูปประพบบ้างไปเกิดในอรูปประพบบ้างเกิดแล้วก็ต้องตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่พระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นสถาบันที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดพราะบรรดาผู้ที่ได้จบปริญญาการศึกษาจากสถาบันพระพุทธศาสนา คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย <Yeah. S 1> ท่านไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนพวกเราอีกต่อไป <Yeah. S 1> ชาติของท่านเป็นชาติสุดท้าย <Yeah. S 1> หลังจากที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกหลังจากที่ท่านได้ทํำกิเลสโมห oh ะอวิชชาอาสวะหมดสิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำําสอนของพระพุทธเจ้า คือการปฏิบัติทานศีลภาวนา <Yeah. S 1> เพื่อเป็นการชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา <Yeah. S 1> ที่เป็นตัวคอยเดืงสัตว์โลกให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่พอไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาแล้ว <Yeah. S 1> การเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดลง นี่คือเรื่องของวันสารหาบูชาที่พวกเรามาลำเลึกถึงกันซึ่งก็เป็นบรรยากาศคล้ายๆกันในสมัยพุทธกาลสถานที่ทรงแสดงก็คือในป่าแสดงภายใต้ล่มไม้ไม่มีอาคารก่อสร้างอะไรต่างๆมีครูหนึ่งคน มีนักเรียนอยู่ห้าคนด้วยกันแสดงทมในตอนบ่ายเหมือนในวันนี้บรรยากาศของวันนี้จึงเป็นบรรยากาศที่คล้ายคลึงกัน <Yeah. S 1> ต่างกันก็คือคนแสดงกับคนฟัง <c oughs> คนแสดงก็หูหนวกตาบอดคนฟังก็หูหนวกตาบอด <c oughs> ฟังแล้วก็ไม่มีใครบรรลุกันสักคน <c oughs> แต่ไม่แน่นะไม่แน่อย่าประมาทเพราะการบรรลุนี้เป็นการบรรลุภายในใจจะเกิดกล้องกังวานขึ้นมาในใจสําหรับผู้ที่บรรลุแต่สําหรับผู้ที่อยู่ใกล้ๆนั่งติดกันจะไม่รู้ว่าท่านได้บรรลุแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นกล้องกังวานอยู่ภายในใจก็ตามทาจะกล้องกังวานอย่างไรก็ก้องกังวานอยู่ในใจของผู้นั้นเท่านั้นเอง ผู้ที่อยู่ข้างๆนี้ไม่รู้หรอกเช่นพระปัญจวัคคีนี่ไม่รู้ว่าพระอัญญาณโกนทัญญาได้บรรลุเป็นพระสุวรรณบันแล้วมีแต่ผู้ที่มีญาณอย่างทราบเ ช, เช่นพระพุทธเจ้าเทนะัพระพุทธเจ้าสามารถดูวารัจิตของผู้อื่นได้ดูว่าจิตของผู้ฟังตอนนี้อยู่ในระดับไหน ยังเป็นปุตุชนหรือเป็นโสดาบันหรือเป็นสกิฎาคามีอนณาคามีหรือเป็นพระอรหันต์หลังจากที่ทรงแสดงธรรมเสร็จพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอัญโยนโกนัญญาเธอรู้แล้วหนอเธอรู้แล้วเนาะแปลว่าเธอบรรลุธรรมแล้วขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นโสดาบันแล้วเธอเห็นอริยสัจในขันห้าแล้วเธอเห็นไตรลักษณ์ในขันห้าแล้ว แล้วเธอจะสามารถปฏิบัติทำต่อไปได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนถ้าไม่มีคนสอนก็สอนตนเองได้ถ้ามีคนสอนก็จะเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องลองผิดลองถูกอย่างหลวงตาเรานี่ท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านปฏิบัติถึงขั้นเกือบขั้นสุดท้ายแล้วพอดีหลวงปู่ม่านท่านไปเสียเสก่อน อาจารย์เสียสะก่อนแล้วท่านก็เลยต้องปฏิบัติแก้ไขปิศนาธรรมที่ปรากฏขึ้นมาในใจของท่านอยู่เกือบสามเดือนด้วยกันเท่าที่ได้ยินได้ฟังรู้สึกว่าท่านได้พบกับจิตที่สว่างสวัยขึ้นมาแล้วก็มีคำผุดขึ้นมาว่าที่ใดมีจุดมีต่ำที่ใดมีจุดมีต่า ที่นั่นแหละคือพบชาติท่านบอกว่าพอได้ยินได้ฟังแล้วท่านงงไม่รู้ว่าตัวไหนที่เป็นจุดเป็นต่อท่านบอกว่าถ้าหลวงปู่มั่นอยู่ในตอนนั้นถ้าไปกราบถามท่านนี้ท่านจะชี้ตรงไปตรงจุดนั่นเลยว่าก็ไอตัวนี้แหละแต่ท่านไม่รู้ว่าเป็นตัวนี้แทนที่จะไปกบจัดมันกลับไปรักษาเหมัอน เพราะมันมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจอวิชชาแสงสว่างสวายภายในจิตเนี่ยตัวนี้ท่านบอกท่านแบกมันไปสามเดือนด้วยกันกว่าจะมาเข้าใจในภายหลังอันนี้คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างการมีครูบาอาจารย์กับการไม่มีถึงแม้จะเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ตาม ถ้ามีพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลแต่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์คอยสอนนี่จะสําเร็จได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยสอนเนี่ยอย่างหลวงตานี้ท่านได้สามขั้นแรกโดยด้วยการอยู่กับหลวงปู่มั่นมาตลอดถ้า พ, พอถึงขั้นที่สี่หลวงปู่มั่นจากไปก่อนท่านก็เลยต้องค้นคว้าหาคําตอบด้วยตนเอง จึงต้องใช้เวลานานหน่อยใช้เวลาถึงสามเดือนด้วยกันถึงจะเข้าใจว่าตัวที่เป็นจุดเป็นต่อมนี้เป็นตัวไหนกันนะพอรู้แล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปกำจัดมันทันทีใช้ไตรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปกาจัดมันเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านั้นยังไปรักไปหวงมัน เหมือนกับรักร่างกายเหมือนกับรักสมบัติเข้าของเงินทองถ้าไปรักมาแล้วมันก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆนอยากจะให้มันเป็นของเราไปนานๆแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นนิจจังถาวรทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกก็คือลาบยศสารเสริญสุข mm hmm. ที่พวกเรา ผูกพันกันติดกันอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เราหาอะไรกันหาลาบคือเงินทองหายศคือตำแหน่งหาสารรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผภทพะกันแต่มันเป็นความสุขแบบอนิจจังไม่ถาวรได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันเสียไป พอเวลาเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาร้องหม่มร้องไห้ขึ้นมาเพราะขาดปัญญาไม่เห็นตายลักในลาบยศสารเสริญสุขผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมีตายลักจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายใน ลาบยศสารเสริญสุกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆภายในก็คือร่างกายร่างกายนี้ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาภายในใจก็ธรรมารมณ์ต่างๆก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเจ้าตัวอวิชชานี้ก็คือตัวธรรมารมณ์นี่เองธรรมารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในจิตของผู้ที่ได้เข้าสู่ขั้น อรหัตตมรักพอเข้าจิตเข้าถึงขั้นอรหัตตมรกนี้จิตจะผ่องใสจะสว่างสวัยแล้วผู้ที่ไปถึงขั้นนั้นก็มักจะไปติดตรงนั้นติดความสว่างสวัยพยายามรักษาความสว่างสวัยไว้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอนิจจังก็ตามแต่ก็ไม่ยอมให้มันเป็นอนิจจังพยายามใช้สติใช้ปัญญารักษาให้มันอยู่ต่อไป จนในที่สุดก็รู้ว่ากำลังทุกข์กับมันถึงจะเข้าใจว่านี่กำลังไปทุกข์กับเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจก็ตามแต่มันก็ยังเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอยู่พอเข้าใจเรื่องนี้ปั๊บแทนที่จะรักษามันก็เลยปล่อยมันมันจะเป็นอนิจจังก็ปล่อยมันเป็นอนิจจังไป มันจะเสื่อมมันก็ปล่อยให้มันเสื่อมไปพอปล่อยปั๊บจิตก็หลุดทันทีหลุดจากการยึดติดกับสมมุติทั้งปวงสมมุติชิ้นสุดท้ายก็คืออวิชชาพอหลุดปั๊บจิตก็ว่างเปล่าเป็นปรมังสุญยังขึ้นมาไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในจิตอีกต่อไปนอกจากปรมังสุขขัง ความสงบที่เป็นความสุขเป็นความสุขที่ถาวรปรามังสุขขังเป็นความสุขร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีช่วงไหนเวลาไหนที่จะมีความทุกข์เข้ามาแทรกไม่เหมือนกับความสุขที่พวกเราทั้งหลายได้สัมผัสรับรู้กันเป็นความสุขที่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจางหายไปแล้วก็มีความทุกข์เข้ามาแทรกเข้ามา มาสร้างความทุกข์สร้างความหิวสร้างความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจต่อไปแล้วเราก็ไปแก้กันด้วยการไปหาความสุขใหม่มาโปะมันหาความสุขมาโปะความทุกข์ก็เหมือนกับไปเอากระดาษไปโปะ ก, กองกองกองอุจจาระเนี่ยโปะยังไงเดี๋ยวกลิ่นมันก็โผลมันก็โชยออกมาอีกความทุกข์มันก็เหมือนกองอุจจาระนี่นะ ความสุขทางโลกไปโปะมันเดี๋ยวมันก็จางหายไปจางหายไปแล้วความทุกข์มันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ให้มันหมดไปจากใจ <Yeah. S 1> วิธีที่จะกําจัดความทุกข์ให้มันหมดไปจากใจนี้ต้องทําตามวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติและนํามาสั่งสอน อให้ปฏิบัติทานให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปให้หมดเลยไม่ใช่ให้เพียงแต่นิดนิ ด, น, ดน้อยๆเวลาเริ่มต้นอาจจะทำได้แค่นั้นก็ทําไปก่อนแต่เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆทําเริ่มมีมากขึ้นไปภายในใจก็จะเห็นความไม่สำคัญของข้าวของเงินทองต่างๆก็ในที่สุดก็จะสละ ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองไปได้หมดเลยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่เคยได้สัมผัสกับธรรมตอนที่สมัยเป็นเด็กเนย<อ>คความสงบจิตรวมในขณะที่ประทับอยู่คนเดียวภายใต้ร่มไม้วอนนั้นในวังเขามีกิจกรรมอะไรต่างๆพวกข้าราชบริพารที่คอยเฝ้าดูรับใช้ก็ไป ไปทำงานปล่อยให้พระ อ, องค์ประทับอยู่ตามลำพังพอพระ อ, องค์อยู่ตามลำพังปั๊บจิตที่เคยสงบมาก่อนมันก็เลยสงบพอสถานที่วิเวกจิตนั้นก็จะวิเวกตามทันทีพออยู่คนเดียวอยู่ที่วิเวกไม่มีใครมารบกวนใจไม่มีอะไรมารบกวนใจใจก็เข้าสู่ความสงบทันทีพอองค์ทรงนึกถึงความสงบความสุขอันนี้ จึงทำให้พระ อ, องค์มีความปรารถนาที่จะออกบวชเพื่อไปหาความสุขอันนี้พระ อ, องค์จึงกล้าสละราชสมบัตินี่คือการทำทานทานของพระพุทธเจ้าคือการสละราชสมบัติไปบวชโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยมีเพียงแต่ชุดแต่งกายที่แต่งไปเท่านั้นนอกนั้นไม่ได้เอาอะไรไปเลย ท่งขี่มา้าไปถึงชายแดนแล้วก็ลงจากม้าให้เให้มหาเล็กเอาม้ากลับไปวงังแล้วส่งเดินเท้าต่อไปนี่คือทานของพระพุทธเจ้าอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านได้เห็นว่าทานจริงๆเป็นอย่างไรทานที่ท่านทํากันตอนนี้เป็นเหมือนกําลังหัดทำกันหัดทํากันทีละเล็กทีละน้อยก่อนะ เอาร้อยละสิบก่อนแล้วก็ต่อไปก็อาจจะร้อยละยี่สิบถ้าเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มรักษาศีลเริ่มภาวนาแล้วจิตเริ่มสัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วการเสีสละการแบ่งปันการให้ทานนี้จะทับได้มากขึ้นไปเพราะจะเห็นว่าเงินทองนี้ไม่มีความหมายต่อไปสําหรับจิตใจ ความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ไก็เลยไม่รู้จะเก็บมันไว้ทำไ ม, ไมเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้มันเมื่อก่อนเคยเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปกินไปดื่ไมไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆแต่พอมาได้ฝึกภาวนาจิตได้เข้าสู่ความสงบแล้วทีนี้มันไม่อยากจะไปเที่ยวแล้วไม่อยากจะไปดูไปฟังอะไรไอยากจะ ภาวนามากกว่าอยากจะเข้าสู่ความสงบมากกว่างเงินทองที่มีอยู่เลยไม่มีความหมายมีก็ไม่ได้ใช้มันก็เลยยกให้คนอื่นไปแล้วจะได้ไปอยู่ตามลำพังไปอยู่กับพวกนักบวช ด, ดีกว่าไปอยู่กับพวกที่เขาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมกันในยุคปัจจุบันก็มีตัวอย่างคือลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่น คือพระอาจารย์พรมเยซึ่งเข้าใจว่าเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์เปลี่ยนอีกทีพระอาจารย์พรมก่อนบวชท่านก็เป็นเศรษฐีชาวนาวชาวไร่มีที่นามีที่นาที่ดินมีทรัพย์สมบัติมีวัวมีควายแต่ไม่มีลูกมีภรรยาสองคนสองคนสามีภรรยาก็ชอบปฏิบัติธรรมกัน ก็ไม่อยากจะอยู่บ้านอีกต่อไปเบื่อบ้านเบื่อทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยากจะไปปลีกวิเวกอยากจะไปปภาวนาไปปฏิบัติไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบก็เลยประกาศบอกชาวบ้านว่าใครไม่มีวัวมีควายก็มาขอไปใครไม่มีที่ทํากินก็มาขอไปใครไม่มีบ้านอยู่ก็มาขอไปยกให้เขาไป ท่านไม่เห็นความสำคัญของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเลยเมื่อท่านได้สัมผัสกับความสงบของใจแล้วใจนี้จะมีแต่ความหอยหายมีแต่ความหิวโหวยกับความสงบอยากจะเข้าหาความสงบมากกว่าหาความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆท่านทั้งสองก็เลยสละทรัพสมบัติแากให้ชาวบ้านไปแล้วท่านก็ไปบวชกัน หลวงปู่พรมท่านก็ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นแล้วเจออนดที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมาได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่หลวงตาได้เขียนไว้ในปฏิปทาที่พระที่ท่านมีประสบการณ์กับหมีมังสวรท่านจะมีประสบการณ์พบกับพวกหมีป่าท่านก็หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมา ผู้ที่ปรารถนาทำอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะต้องเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้จะเอาทำด้วยจะเอาทรัพย์สมบัติด้วยมันไปคนละทางกัน เหมือนกับไปทางใต้กับไปทางเหนือถ้าจะไปทางเหนือก็ไปทางใต้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นทางขนานมันเป็นทางคนละทางกันถ้าจะไปใต้ก็ไม่ได้ไปเหนือถ้าจะไปนิพพานก็ต้องไม่ไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่หาความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเหตั้นผู้ที่ มุ่งไปทางนิพพานแล้วก็จะหันหลังให้กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่เสียดายเลยทิ้งหมดไม่อยากจะมีภาระเกี่ยวข้องกับมันเพราะมันจะกลายเป็นเหมือนสมอเรือเวลาที่จะเอาเรือออกจากท่าเรือออกไปทางในทะเลได้เขาจะต้องถอนสมอเรือก่อน งั้นไม่ใช่นนั้นเรือจะลอยไปไม่ได้สมอเรือจะดึงเอาไว้ใจของผู้ที่ต้องการไปวิมุติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากตายพบจากสังสารวัฏนี้ก็ต้องถอนสมอก่อนสมอที่ทําให้ใจของสัตว์โลกติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ รับสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ครอบครัวผู้ที่มีครอบครัวพระพุทธเจ้านี่พอได้ยินข่าวว่าได้ลูกเนียทรองอุททานขึ้นมาว่าราหุ่นลาหุ่นแปลว่าบ่วงบ่วงก็คือสมอเรือนี่เองถูกทอดสมอเรือแล้วท่านเลยต้องรีบถอนสมอทันทีบวกต้องไปในวันนั้นแล้วต้องต้องออกจากวังไปแล้วในคืนนั้นอยู่ไม่ได้แล้ว ถ้าอยู่ต่อไปสมอเรือมันก็จะทำให้ใจของท่านนี้ไม่สามารถที่จะไปสู่การหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ <Yeah. S 1> ท่านจึงต้องตัดสินใจในคืนนั้นเพราะท่านมีปัญญาเนยไม่เหมือนพวกเราเวลาได้ลูกกลับดีใจเสียดีอกดีใจยงฉลองกันใหญ่หาไม่ว่าหารู้ไม่ว่ามันเป็นบ่วง ถ้าต่อไปอยากจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปไม่ได้แล้วต้องเลี้ยงลูกอเหี่วงลูกเนี่ยมีลูกสิทธิ์ทีมงานอยู่คนหนึ่งอยากจะไปบวชแต่มีลูกสองคนยังไม่โตยังเรียนอยู่ชั้นปถมอยู่จะไปภรรยาก็ไม่ให้ไปแล้วใครจะเลี้ยงลูกถ้าคุณไปฉันเลี้ยงคนเดียวไม่ไหวใช่ไหมก็เลยต้องรอไปก่อน นการรอนี้มันก็มีความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอน ช, ชีวิตของเรานี้จะจบลงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้อาจจะจบวันนี้อาจจะจบพรุ่งนี้อาจจะปีหน้าสิบปีข้างหน้าห้าสิบปีข้างหน้าไม่มีใครรู้ถ้ารอไปก่อนนี้ถ้าเกิดไปเจอแบบปีหน้าหรือเดือนหน้าโอกาสที่เราจะได้ หลุดพ้นก็จะหมดไป <Yeah. S 1> แล้วเทาวหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาหรือไม่เ <Yeah. S 1> พราะตายไปแล้วนี่เราไม่รู้ว่าจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ไหนมากมายเท่าไหร่กว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก <Yeah. S 1> แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าจะมาเกิดอยู่ในที่มีพระพุทธศาสนาหรือไม่ yeah. <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีก็จะไม่มีใครมาสอน <Yeah. S 1> มาบอกวิธี ปฏิบัติให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เห็นสําหรับผู้ที่มีปัญญาจริงๆเหมือนพระพุทธเจ้าก็ต้องตัดสินในวันนั้นในเวลานั้นเลยออออพอได้ทราบข่าวว่าได้ลูกแล้วเนี่ยท่านรู้แล้วอยู่ต่อไปก็จะไปไม่ได้ท่านก็เลยต้องตัดสินหนีไปเลยไม่บอกใครด้วยพอบอกถ้าไปขออนุญาตเขาก็ไม่ให้ไปเลยลองไปขออนุญาตแฟนแฟนก็ไม่ให้ไป ขออนุญาตพ่อพ่อก็ไม่ให้ไปแล้วดีไม่ดีอาจจะถูกกักขังด้วยนดี้จะถูกคุมจ่าเลยอะไรต้องไปแบบไม่บอกใครนี่แหละปัญญาของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมองเห็นทำเหนือกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท่านสอนให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเ ละชีวิตเพื่อรักษาธรรม <Yeah. S 1> เพราะไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่าประเสริฐเท่ากับธรรมนั่นเองเพราะไม่มีอะไรที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ <Yeah. S 1> มีแต่ธรรมเท่านั้นที่จะทําได้ <Yeah. S 1> ดังนั้นท่านจึงต้องตัดสินใจมุ่งไปหาธรรมก่อน <Yeah. S 1> แต่ท่านก็มั่นใจว่าเมื่อหลังจากที่ท่านได้ทําแล้ว <Yeah. S 1> ท่านจะสามารถกลับมาทําประโยชน์ให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านได้มากกว่าตอนที่ท่านยังไม่ได้ไปถ้าท่านอยู่ต่อไปท่านก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ท่านจะไม่สามารถช่วยดับความทุกข์เวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายของญาติของท่านได้ของภรรยาของพ่อของท่านได้ของลูกของท่านได้เขายังจะต้องทุกข์และหลังจากที่เขาตายไปแล้ว เขายังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ต่อไปยังไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าท่านหนีไปก่อนไปศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้พบกับโลกุตลธรรมที่จะพาให้จิตใจของท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้ว ทีนี้ท่านจะสามารถมาช่วยญาติพี่น้องของท่านได้ดีกว่าตอนที่ท่านยังไม่ได้ไปบวชพอหลังจากนั้นหลังจากที่ตัดจรู้แล้วไม่นานก็ได้ไปโปรดในวังไปแสดงธรรมไปโปรดพญาติก็มีผู้ศรัทธาขอตามบวชบุคคลแรกที่บวชก็คือลูกไง น, นะลูกก็มาขอขอบาราดกขอมรลดกก็คือขอธรรมนั่นเอง พระพรพุทธเจ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเือนทองมีแต่ธรรมคืออริยะธรรมมีโสดามีสกิรดาคามีอนาคามีอรหรันเป็นมรดกก็เลยจับเป็นบวชเป็นสัมมะเนมเยัยแล้วก็สอนสอนให้ปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพราะอารหันต์ขึ้นมา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าอยู่เป็นจกักรพรรดิก็อาจจะทำให้ลูกเป็นผู้ช่วยจกักรพรรดิมีทรัพย์สมบัติเงินทองเท่าของมากมายมีความสุขทางโลกมากมาย แต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกทั้งหลายก็จะไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจได้เวลาที่จะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายนักบาต ท, ท่านถึงเลือกธทำท่านไม่เอาโลกโลกกระทนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะเลือกควรจะดี ควรจะหาธรรมหาหาโลกุตตลาธรรมหามรรคผลนิพพานพอมรรคผลนิพพานนี้เป็นที่พึ่งของใจเป็นที่ดับทุกข์ของใจใจถ้ามีมรรคผลนิพพานแล้วใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ตามร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหาต่อใจ ที่มีมรรคผลนิพพานมีโลกุตตรลธรรมใจจะเพียงแต่รับรู้เฉยๆเท่นั้นรู้ว่าร่างกายแก่แต่ไม่ทุกข์กับความแก่ของร่างกายรู้ว่าร่างกายเจ็บแต่ไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายรู้ว่าร่างกายจะตายไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายเพราะใจมีธรรมปกป้องคุ้มครองรักษานั่นเอง นี่แหละนักบาด ท, ทั้งหลายจึงเห็นความสำคัญของธรรมยิ่งกว่าสิ่งต่า ง, างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ท่านถึงเป็นพาาระอรหารกันขึ้นมาเพราะว่าถ้าท่านไปเห็นโลกกรรทำแปดเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าถ้าท่านเห็นโลกลาบยศฉลเสริญสุขเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าโลกุตละธรธรมท่านก็จะอยู่กับโลกเป็นมหาเศรษฐี เป็นพระราชามหากตรัตเป็นประธานาธิปดีเป็นอะไรต่างๆนานาแต่พอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้ก็ทุกข์เหมือนกับขอทานนี้ดีนี่ความทุกข์ของพระราชามหากตรย์กับความทุกข์ของขอทานนี้ไม่ต่างกันเวลาที่เจอความแก่ความเจ็บความตายมีทรัพย์สมบัติข้าวของมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถมากาจัด มันได้กำจัดความทุกข์ต่างๆได้แต่ถ้ามีโลกุตระธรรมนี้สามารถกำจับได้อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอนพวกเราให้ทำทานให้สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองกันตอนนี้สละได้เท่าไหร่ก็สละไปก่อนขึ้นอยู่กับกำลังของใจ ขึ้นอยู่กับทรรที่ได้สร้างขึ้นมาในใจถ้าได้ทํามากก็จะสละได้มากถ้าได้ความสงบมากก็จะสละได้มากขึ้นไปนเรื่อยๆถ้าได้ความสงบเต็มที่ถ้าจิตรวมเพลงครั้งเดียวเท่านั้นเองแม้เพลงแต่เป็นชั่อแค่ ง, งูแลบลิ้นหรือแบบสายฟ้าลัคน์มันจะมีอํานาจต่อจิตใจในการตัดสินใจได้อย่างมาก มันจะทำให้กล้าตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละลาบยกสละเสริญสุขไปได้หมดเลยเพราะได้เห็นธรรมนะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแนละ้วและได้รู้วิธีที่จะทำให้รถแห่งธรรมนี้ปรากฏขึ้นมาคือการปฏิบัติจิตตะภาวนานี้เอง้วยการสนับสนุนของการรักษาศีลคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไป ศีลแปดศีลสิบศีลสองอยิบเจ็ดนี้จะเป็นศีลที่เหมาะต่อการภาวนาเพราะศีลเหล่านี้จะคอยป้องกันคอยห้ามไม่ให้จิตใจไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอย่างอื่นนั่นเองเออต้องการให้จิตมาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันเดียวเท่า น, นั้นคือจิตตภาวนาให้มาปฏิบัติ จเจริญสติเพื่อนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วถ้าได้ความสงบแล้วก็จะมีกำลังที่จะไปจะเจริญปัญญาต่อไปเวลาที่ออกจากสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิไม่ใช่เวลาจเจริญปัญญาผู้ปฏิบัติสมาธินี้ไม่เข้าใจที่ว่าเวลาจิตสงบแล้วให้เริ่มพิจารณาทำได้เลยถ้าพิจารณาทาความสงบก็จะหายไป ดังเบื้องต้นนี้ถ้าเรายังไม่มีความสงบหล่อเลี้ยงจิตใจต้องพยายามสร้างความสงบไว้หล่อเลี้ยงจิตใจให้มากๆก่อนความสงบนี้เป็นเหมือนอาหารเป็นเหมือนสเสบียงเป็นเหมือนเครื่องสนับสนุนจิตในการทํางานทางด้านวิปัสสนาคือปัญญาต่อไปเหมือนเวลาเราทํางานทําการเราต้องมีการพักรับประทานอาหารกันน ถ้าเราไม่รับประทานอาหารร่างกายจะไม่มีกำลังวังชาที่จะไปทำงานทําการจิตที่ไม่มีความสงบก็จะไม่มีกำลังที่จะไปเจริญวิปัสสนาได้จะไปพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาในขันห้านี้จะพิจารณาไม่ได้เพราะจะมีกิเลส ต, ตัณหาคือความหิวโหวยเมื่อคอยดึงให้ไปหา รูปเสียงกลินรสต่างๆมาเสร็จไปแล้วใจจะไม่มีกติกาใจพิจารณาร่างกายพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาอาการส2พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาซากศพอสุภะต่างๆพอจะคิดถึงแต่ขนมคิดถึงแต่กาแฟเดี๋ยวหิวน้ําหน่อยก็หิวกาแฟแล้วเดี๋ยวหิวข้าวขึ้นมาต้องกินขนมนะมันก็เลยทะเลถลายออกไป แทนที่จะเอาเวลาที่ได้ที่ว่างอยู่นี้ไปภาวนาไปเจริญวิปัสสนาพิจารณาทางปัญญาก็พิจารณาไม่ได้เพราะจิตใจไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงไม่มีความสงบหล่อเลี้ยงเนี่ยนี่ทำไมถึงต้องมีการเจริญสมาธิก่อนเหมือนกับก่อนที่เราจะไปทำงานตอนเช้าออกก่อนออกนอกบ้านนี้ต้องรับประทานอาหารก่อนรับประทานอาหารแล้วแล้วพอไม่กี่ชั่วโมงทางานไปได้ไม่กี่ชั่วโมงต้อง ว่าอีกแล้วต้องรับประทานอีกแล้วทุกสี่ห้าชั่วโมงนี้ต้องมีอะไรรับประทานอยู่เนี่ยเพราะร่างกายจะได้มีกําลังวังชาในการทํางานนั่นเองในการทํางานของจิตใจคือการเจริญปัญญานี้ก็เหมือนกันต้องมีสมาธิฉนั้นเวลาเข้าสมาธินี้อย่าไปทํางานอย่าเอาดึงจิตไปทํางานให้จิตพักในสมาธิให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ใช้สติคอยประครับประคองเวลาเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดอยากจะลุกก็อย่าเพิ่งลุกใช้สติหยุดมันไปก่อนใช้พุทธโธก็ได้นึดูลมต่อไปก็ได้อย่าเพิ่งลุกจนกว่ามันจะสู้ไม่ไหวแล้วถึงค่อยลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาถ้าเรายังมีสมาธิที่ยังไม่มากพอก็มาเจริญสติก่อนถ้าใช้พุทธโธก็พุทธโธไป ถ้าดูร่างกายก็เฝ้าดูปีเดยาบุตรต่างๆของร่างกายดูการเคลื่อนไหวดูการกระทาต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่าง ๆ, งๆให้มันอยู่ให้เจริญสติให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่วารุอย่าให้คิดปรุงแต่งแล้วพอหายเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ต่อกลับไปทมความสงบต่อทำอย่างนี้ไปก่อนในขั้นของสมาธิ ทาตนเกิดความชำนาญขึ้นมามีความสามารถที่จะเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายและอยู่ในสมาธิได้นานและเวลาออกจากสมาธิมาก็สงบได้นานกว่าเมือมอมอม่อเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิจิตยังสงบยังเย็นยังเป็นอุเบกขาอยู่ช่วงนั้นลหละเป็นเวลาที่สามารถที่จะมาใช้ในการพิจารณาตายลักได้ เรืองต้นก็พิจารณาร่างกายก่อนพิจารณาขันห้าร่างกายกับเวทนาคือความตายกับความเจ็บความไม่เที่ยงของร่างกายร่างกายต้องแก่เจ็บตายต้องเจ็บนะเวทนาคือความเจ็บต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางคือยอมรับมันอย่าไปอย่าไปคอยลบมันออกจากใจเวลามันปรากฏขึ้นมา เพราะเราลบมันไม่ได้ลบความแก่ลบความเจ็บลบความตายไม่ได้ลบทุกขเวทนาไม่ได้ดงนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือสอนให้ใจยอมรับมันดีกว่ายอมรับความแก่ความเจ็บความตายยอมรับทุกขเวทนาเวลามันเกิดขึ้นมาอย่าไปพยายามทำให้มันหายไปเพราะถึงแม้ทำได้เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่แล้วมันก็จะไปเจอจุดที่ทาไม่ได้ ถึงเวลาที่ทำไม่ได้เ <Yeah. S 1> ช่นเวลาเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาจะไปทำให้ความเจ็บมันหายไปนี้ทำไม่ได้ <Yeah. S 1> คนที่สามารถปล่อยวางทุกขเวทนาได้จะไม่เดือดร้อนกับเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย yeah. <Yeah. S 1> จะอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างสบาย yeah. Yeah. นี่คือปัญญาที่เราจะต้องเอามาสอนใจสอนให้เห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรา เวทนาก็ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ไปสั่งให้มันเกิดก็ไม่ได้สั่งให้มันหายไปก็ไม่ได้เวลามันไม่เกิดสั่งให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดเวลามันเกิดแล้วสั่งให้มันหายไปมันก็ไม่หายถ้าไปสั่งแล้วไม่ได้ดังใจก็จะทุกข์ เห็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ใจเราไม่ทุกข์ก็คือรับรู้เฉยๆไปรับรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางร่างกายไปปล่อยวางเวทนาไปร่างกายแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปไม่ต้องไปย้อมผมไม่ต้องไปดึงหนังให้มันตึงเพื่อให้มันดูหนุ่มมันสาวขึ้นเดี๋ยวไม่กี่ปีมันก็หย่อนอยู่ดีผมย้อมไปไม่กี่วันเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวจะทุกไปปล่าๆเหื่อยไปเปล่าๆสู้ปล่อยให้มันแก่ของมันปล่อยให้มันเจ็บของมันไปปล่อยให้มันตายไปเมื่อถึงเวลาแล้วใจจะไม่มีความทุกข์กับมันนี่คือขั้นของปัญญาที่เราต้องเอามาสอนใจเพราะตอนนี้ใจเราไม่ยอมมองความแก่ความเจ็บความตายกันไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ก็เลยทุกเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายท่านั้นเองเนี่ย้อมาคอยสอนมันบ่อยๆสอนมันอยู่เรื่อยสอนมันว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นใจผู้มาอาศัยร่างกายเป็นคนรับใช้เรามารับใช้เราพาเราไปไหนมาไหนเนี่ยที่จะมานี่ได้ก็ต้องมีร่างกายพาเรามาใจอยากมาใจคิดถึงวันนี้เป็นวันอาสาหะอยากจะมาฟังธรรมใจก็ต้องมีร่างกายพามาท่านั้นเอง แต่ร่างกายไม่ได้เป็นใจร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปด้วยกับร่างกายเวลาร่างกายแก่ใจไม่ได้แก่เราไม่ได้แก่ไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วเราจะไปไปต้ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำไมอยากไปมันก็ทุกไปเปล่าๆเพราะอยากแล้วมันก็ไม่สามารถทาให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้อยู่ดี นี่คือการใช้ปัญญาคิดพิจารณาจนในที่สุดเราก็ต้องรู้ว่ามีทางเลือกสองทางถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปถ้ามีสติมีสมาธิก็จะสามารถปล่อยได้เพราะใจที่มีสมาธิมีอุเบกขาก็จะวางเฉยได้ แต่ถ้ายังไม่มีสติไม่มีสมาธิจะวางเฉยไม่ได้ถึงแม้จะใช้ปัญญามาสอนใจก็ยังยังหยุดความอยากไม่ได้อยู่ดังนั้นจึงต้องมีทั้งสองอย่างในการที่จะทำให้การปล่อยวางการดับความทุกข์ของใจนี้ปรากฏขึ้นมาได้ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาเบื้องต้นก็สร้างสมาธิก่อนพอสร้างสมาธิแล้วก็มาสร้างปัญญาต่อ พอได้ปัญญาได้สมาธิทีนี้พอเกิดความอยากก็หยุดมันได้ทันทีพอเกิดความทุกข์ก็หยุดมันได้ทันทีนี่คือกระบวนการของการดับทุกข์ที่มีสอนอยู่ในเพียงสถาบันนี้สถาบันเดียวคือพุทธศาสนาไม่มีสถาบันใดในโลกนี้ที่จะสามารถสอนวิธีดับทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้ พวกเราเนี้ก็เป็นเหมือนนักศึกษาของพุทธศาสนาเราก็ต้องทําตัวให้เป็นนักศึกษาที่ดีนักศึกษาที่ดีก็คือไม่หนีโรงเรียนนั่นเองไม่ทําไปทะเลถลายไปทําภารกิจอย่างอื่นให้ทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ศึกษาเรื่องทานศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องภาวนาเพื่อให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติทานศีลภาวนา ปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็นำออกไปปฏิบัติทําทานสารทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรักษาศีลแล้วก็ภาวนาควบคู่กันไปพอได้ภาวนาจิตเริ่มสงบปับ๊บเนี่ยความอยากจะได้ความสงบจะมีมากขึ้นความอยากที่จะใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขก็จะน้อยลงไปต่อไปก็ไม่ต้องใช้เงินเมื่อไม่ใช้เงินก็ยกให้คนอื่นไปไปอยู่ไปปฏิบัติ ถ้าใช้เงินก็ใช้สําหรับเลี้ยงดูปากทองทั้งเองเช่นอุบาสิกาที่ไม่ได้บินตบายก็ยังอาจจะต้องอาศัยปัจจัยเงินทองเพื่อซื้อปัจจัย4หรือไม่เช่นนั้นถ้าไปอยู่วัดที่มีการสนับสนุนปัจจัย4ี่ก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ <S <S ไแล้วก็รักษาศีล8ศีลสิศีลสองิบเจ็ดไปแล้วก็ภาวนาไป เจรัญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาอพอได้ทำเหล่านี้แล้วกิเลสตัณหาก็จะวิ่งหนีหมดเลยความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็จะหายหมดไปจากใจใจก็จะกลายเป็นปรมังสุขขังขึ้นมามนี่แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเหยาถาวาริวาหาปุราภิเรกุเรนติสาขังเอวเมีวอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวาสมิจโตุสะเปบุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพารโควินาสตุมาเตภวะโตอันตราโยสุขิสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทะนสีิทสานิจังวุฒาปจายิโนจตารธูธัมมาวะทานติอายุวันโอสุขังหาลาโอเังช่วงต่อไปจะเป็นการถามตอบคำถา ม, ถามใครมีคำถามอะไร เชิญถามได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามตรงนี้ก็ได้จะให้ไมโครโฟนถามหรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่มีผู้ติดตามจากเฟ e บุ๊กพระอาจารย์430เฟซบุ๊กพระอาจารย์50 YouTube 193วิทยุ9ซู9 ผู้รับฟังที่กุติ238ร้อสาสิปดรวมเก้าร้ยี่สิบเกค่ะมี YouTube อ่ะมียู YouTube ทูบ้อาครับอจารย์เกากว่าเนก้ารอยไม่ตองรอี่เกค่ะ929สเ้าม่อช้าไม่าบา ท, บาทอปร้อยห้าสิบห้า คนเฉียวบุญก็ไม่ได้มาทําบุญยานานอย ก, กักขังในบ้าน <laughs> เหมือนติดคุกเ <laughs> ังอยู่บ้านก็ทําบุญได้เนี่ยภาวานาเนี่ยเลือนสูงกว่ามาทําบุญทําทานเนี่ยแต่ทําบุญทําทานมันได้เที่ยว <laughs> <laughs> แต่ชอบทําบุญทําทานมากกว่าภาวานาภาวานาต้องถูกขั ง, ขงตัวเองเลยไม่ก็ชอบภาวานากัน ามีคำถามก็เชิญถามได้คำถามจากคุณอชยอาทิตค่ะพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าต่างกันอย่างไรคะตัสรูธรรมเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่พระพระปัจเจกับพพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนใครไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการผลิตพระอริยสงสาว ก, ก็เลยมีแต่พระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว ก็เลยไม่มีพระพุทธศาสนาตามมาพระพุทธเจ้าของเราตอนต้นก็จะไม่อยากจะสอนเหมือนกันแต่พอมีเท้ามาหาร ม, มาขอเมตตาขอความเมตตาแล้วหลังจากใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่ า, านักเรียนนี้มีสีก่กลุ่มด้วยกันเป็นพวกบัวสี่เหล่าพวกที่ชอบเรียนก็มีพวกที่ไม่ชอบเรียนก็มีงั้นก็เลยเลือกสอนแต่พวกที่ชอบเรียน พ ว, พ, วพวกชอบทำบุญพวกชอบทําบุญทำทานพวกชอบรักษาศีลพวกชอบภาวนาแต่พวกที่ชอบกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะก็ไม่สอนตอนต้นตอนตอน้ตนที่ยังไม่ได้คิดรอบครอบก็คิดว่าเป็นพวกชอบกินกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะกันไปหมดนก็เลยไม่มีกาลังใจที่จะสอนเพราะพวกนี้สอนไม่ได้สอนเขาก็ไม่ฟังเขาไม่ปฏิบัตินี่คือ ความแตกต่างระหว่างพระบาเจกับพระพุทธเจ้ากับพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระใจของท่านเหมือนกันได้นิพพานเหมือนกันเบิกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าพระปบาเจกัไม่สร้างพระพุทธศาสนาพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างพระศาสนาพวกเราเนี่ย ต้องอาศัยพระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสร้างาศาสนาให้กับพวกเราถ้าไม่มีเราก็จะไม่ไม่มีวันรู้ทางสู่การหลุดพ้นด้คาถามจากคุณแอสโบเลอร์ถ้าเราสมาทานศีลแปดแต่นั่งบนเบาะรถจะผิดศีลไหมเจ้คาคะถ้ามันเป็นเรื่องจําเป็นมันเรื่องสุดวิสัย ก, ก็ก็ทนนั่งไปเถอะไม่เป็นไรหรอก ที่ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้สบายจนเกิดความเกียดค้านในการภาวนา <Yeah. S 2> นอนที่พวกหนาๆมันจะนอนนาน <Yeah. S 2> นานแล้วมันก็จะเสียเวลาการภาวนาไป <Yeah. S 2> นั่งนานๆมันสบายนั่งดูทีวีนั่งทำอะไรสบายมันก็เลยไม่อยากจะไปนั่งภาวนาถ้า <Yeah. S 2> ไม่นั่งภาวนาอย่านั่งบนเบาะนะควรจะนั่งบนพื้นธรรมดาดีกว่า <Yeah. S 2> เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องกังวล งันเดี๋ยวไปภาวนาในป่าก็ต้องแบกเบาะที่นั่งไปด้วยเอพ่ะธุดองก็มีแบกเบาะไปกันหรือเปล่าแบกเก้าอี้ไปกันหรือเปล่ า, กก ไ, ลาไม่มีหรอกเขาก็ตามมีตามเกิด น, นั่งมีผ้าปูเผืนเดียวก็พอการเพื้อนคำถามที่สองจากท่านเดิมค่ะเพื่อนน้อยค่ะไม่ค่อยมีเพื่อนทุกใจเจ้าค่ะจะทําอย่างไรดีเจ้าคะต้องแผ่เมตตาสิคนไม่มีความเมตตาก็ไม่มีเพื่อนอย่างนั้นเอง พู้มีความเมตตาพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคำว่เาเมตตานี้ไม่ได้ใช่สวดนะสวดนี้ก็ยังไม่ได้ก็แผ่เมตตาสเปสตาเวราโหรุสเปสตาอบบยาปชาโหรุอันนี้เป็นการสวดสอนวิธีแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทํเาเวลาใครก็ทำให้เราโกรธก็ให้อาภายัย เ, เวลาใครก็เดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขา เวลามีขนมนมอะยก็อามาแบ่งกันอย่า ก, กินคนเดียวรับรองได้ว่าเดี๋ยวเพื่อนตามมาเยอะลองมีขนมแจกดูสินะมีขนมมีอะไรแจกเดี๋ยวคนนั้นก็อยากจะเข้าหากันดะงนั้นต้องมีความเมตตาคนไม่มีเพื่อนนี่แสดงว่าเป็นคนขาดความเมตตาโยมจากเยอรมันค่ะวันก่อนพระอาจารย์แนะนําว่าให้เอาสติไว้กับลมหายใจไม่ให้ขาดไม่ให้ทิ้งลมหายใจ โยมลองทําตามนะคะรักโกลถามค่ะข้อแรกเป็นไปได้ไหมค่ว่าพอกําหนดรู้ลมไปนานๆกระแสที่เคยกับเรียนบอกไปละเอียดกว่าลมค่ ะ, ะถ้ามันเป็นน้ำที่คุณเป็นมันก็เป็นอ่ะมันจะเป็นมันอยู่ที่เหตุการณ์ความจริงเป็นจริงมันจะละเอียดกว่าลมก็ก็แล้วแต่มันแต่เราควรจะเกาะติดอยู่กับลมดีกว่ากระแสที่ว่านี้ไม่รู้ว่าเป็นกระแสอะไร เดี๋ยวเกิดมันพาเราไปที่ที่ไหนขึ้นมาเราก็อาจจะหลงทางได้แต่ถ้าเราเกาะติดอยู่กับลมมันจะพาเราเข้าสู่ความสงบได้ส่วนกระแสะอย่างอื่นนี้ไม่แน่เช่นตัวอย่างบางคนตามแสงสว่างมีนิทานเล่าในวงปฏิบัติแล้วมันเอนั่งหลับตาแล้วก็เห็นแสงแสงสว่างเป็นดวงก็ตามแสงสว่างนั้นไป พอลืมตาขึ้นมาที่ไปอยู่บนยอดไม้นูนน่นนะงัให้ระวังนะของพวกนี้มันที่มันหลอกเราได้หลอกพาเราไปที่ที่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรได้งั้นเกาะติด ก, กับลมดีกว่าพเพราะลมมันอยู่ที่ร่างกายเรามันไม่พาเราไปไหนเร า, เราก็จะอยู่กับร่างกายหรือเข้าสู่ความสงบเท่านั้นอีกคำถามค่ะพอตามลมแล้วรู้ว่ามันไม่แนบแน่นจิตละเอียดใสเป็นแผ่นๆเลยค่ะค่อยๆโหดเข้ามา ยงเข้าใจถูกไหมคะว่ากระแสนั้นคือจิตสักพักดวงเล็กสุกสว่างเหมือนดาวปรากฏให้เห็นอยู่เลยค่ะคือเราจะปรากฏขึ้นมาถ้าเรายังดูลมอยู่ก็ดูลมต่อไปอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นเพราะมันจะทําให้เราไม่สงบใจจะไม่สงบถ้าเราไปดูอย่างอื่นอย่างนี้เราดูลมไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวจิตมันจะเด่งลงมันจะเหมือนกับตกลงจากที่สูงหรือเหมือนกับถอนหายใจเฮือกสุดท้ายฮึดลงไปแล้วทิ้งก็เบาว่างเย็นสบายนั่นแหละคือผลที่เราต้องการอย่าไปสนใจกับแสงอย่าไปสนใจกับเสียงอย่าไปสนใจกับกลิ่นหรืออะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราดูลมหายใจเข้าออกแต่กระแสะที่โยมสามารถกาหนดหนี้สามารถกาหนดให้เกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ค่ะ โยมก็เลยใช้วิธีนี้เพื่อจะมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาการกระทำแบบนี้เหมือนหรือต่างกับการดูลมหายใจยังไงคะทำแบบนี้เรื่อยไปจะเป็นการถูกหรือผิดทางอย่างไรเจ้าคะก็ถ้ามันไม่สงบมันก็ผิดทางมันต้องสงบมันถึงจะถูกทางก็ปฏิบัติไปถ้าดูไปมากี่เดือนกี่ปีก็ไม่สงบก็ซื้อมาดูลมดีกว่าคาถามฝากถามค่ะ คุณแม่อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนี้ถ้าหากว่าโลกใบนี้แตกสลายจะเกิดอะไรขึ้นกับจิตทั้งหลายที่ยังไม่พ้นสังสารวัตเจ้าคะอ๋อมันมีโลกอื่นที่มีมนุษย์อยู่เพียงแต่เราติดต่อกับเขาไม่ได้นะในจักรวาลนี้มองขึ้นไป บ, บนท้องฟ้าเลมีดวงดาวสี่ดวงแต่และดวงก็เหมือนผ้าทิดวงหนึ่ง พรอาทิตก็มีบริวารมีโลกแบบนี้อยู่มันก็ต้องมีโลกที่มีมนุษย์อยู่ได้เยอะแยะไปหมดแล้วอาจจะเคยไปเกิดโลกเยิดมาแล้วก็ได้เพราะจิตเรานี้สามารถไปทั่วจักรวาลได้อย่างรวดเร็วยจิตเรานี้ไม่มีร่างกายมันเลยเดินทางด้วยความคิดเพียงคิดมันก็ถึงนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนั้นโลกนี้มาก่อนเพียงแต่เราเราไม่รู้ว่าเป็นโลกนั้นโลกนี้เท่านั้นเอง เพราะว่าเราโลกแต่และโลกมันอยู่ห่างไกลกันจนไม่สามารถติดต่ อ, อ ก, กันได้ก็เลยคิดว่ามีเราคนเดียวมีโลกเดียวในโลกนี้แต่ความจริงมันมีเยอะแยะไปหมดนะยังไม่ต้องกังวลจะถามอะไรเลยแล้วมันต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวใช่ไหมครัถึงจะบรรลุธรรมได้ก็เป็นเทวดาก็ได้แต่ต้องมีคนสอนคนที่ติดต่ อ, อ ก, กับเทวดาได้จิตระดับเทวดาชคือจิตที่เป็นเทวดาก็คือจิตระดับเทวดาพวกที่ทําบุญรักษาสี่ห้าเนี่ย เวลาตายไปก็จะเป็นเทวดาแล้วพวกนี้ก็ถ้ามีพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่ติดต่อกับกายทิพย์ได้ก็จะเรียนจากพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์มันจะง่ายกว่าเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นเป็นมนุษย์พระอาหารหันต์ก็เป็นมนุษย์ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมง่ายกว่าพวกเทวดาอ่าใจนะคำถามจากคุณอะตอมคะ่ะ ภาวนาถึงความสุขความสงบดิ่งลึกลงไปจิตสว่างไสวแต่มีสติรู้ตัวทุกอย่างเหลือเพียงความว่างเหมือนอยู่ในอวกาศต่อมามีเสียงพูดขึ้นมาว่าให้พิจารณาอสุภะต่อไปเรียนถามว่าจะเชื่อได้หรือไม่ว่าโดนกิเลสหลอกไม่หรอกเชื่อได้เพราะอสุภะเป็นธรรมเพียงแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้พิจารณาตอนที่อยู่ในสมาธิ เราให้ออกจากสมาธิมาก่อนเช่นพอออกจากสมาธิมามาเดินจงกรมต่อทีนี้ก็พิจารณาสุภาพไปดูอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปหรือพิจารณาซากศพสิบชนิดศพที่ตายใหม่ศพที่ขึ้ น, อนเอื่ดศพที่เขียวช้ำศพที่มีมแมลงมากัดมีหนอนมาแทะอะไรต่างๆเหล่านี้ มีเป็นการพิจารณาอนาคตของร่างกายของพวกเราทุกคนร่างกายของทุกคนต้องกลายเป็นซากศพในที่สุดไม่น่าไม่น่าที่จะไปรักไปหวงมันไม่น่าไปยึดไปติดมันไม่น่าไปชอบมันเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆนี่คือการพิจารณาอสุภะนี้พิจารณาเพื่อไม่ให้เพื่อกำจัดการอารมณ์กาจัดถ้าเราอยากจะอยู่เป็นโสดนี่เราต้องพิจารณาสุภะบ่อยๆ แล้วพอเห็นร่างกายใครก็เห็นเป็นซากศพนี้มันก็จะไม่อยากจะให้เขามาเป็นแฟนเราะคิดดูสิคนที่มีแฟนพอตายไปเก็บไว้ในบ้านหรืเปล่า <Yeah. S 1> พอไม่หายใจก็ส่งให้ศัพท์ไปรเรยส่งให้วัดไปแล้วเพระฉะนั yeah. Yeah. ้นเราฉลาดกว่าเราต้องคิดก่อนที่จะไมีมเขามาเป็นแฟนคิดเข า, าเป็นซากศพซะก่อนพอ <Yeah. S 1> คิดว่าเขาเป็นซากศพเราก็ไม่อยากจะมีเขามาเป็นแฟนแล้วเราก็จะไม่เหงาอยู่คนเดียวไม่เหงาถ้าไม่มีความอยาก เสกกรมแล้วมันไม่เหงาความอยากเสพกามมันทำให้เรารู้สึกเหงาว้าเหว่ขึ้นมาถ้าไม่เชื่อเวลาอยากเสพกามนี่ลองพิจารณาสุภาพดูสิพอพิจารณาสุภาพปั๊บมันเห็นปุ๊บโอ้ยไม่น่าดูเลยไม่น่าเสกด้วยเลยมันก็ความอยากเสพกามก็หายไปความเหงาก็หายไปอยู่คนเดียวได้ไม่เดือดร้อนคำถามจาก คุณสุรพงศ์มอเตอร์อินเตอร์เทรดวิพร้าเดินมาแล้วเราเรียกนิมนต์ถวายของท่านท่านก็ลดตัวลงมาคุกเข่ารับของจะเป็นบาตกจะเป็นบาปกับเราไหมคะเราไม่มีเจตนาอย่างอื่นนอกจากจะถวายของท่านค่ะก็มันไม่บาปหรอกเพราะเราไม่มีเจตนาแล้วพระท่านอาจจะไม่ไม่ทราบว่าท่านควรจะวางตัวอย่างไรก็ได้ นั่นก็เป็นเรื่องของการละเทศะเนื่องของความเหมาะสมท่านนั้นเองคำถามจากคุณพัอน ร, รัฐค่ะ <c oughs> ทำอย่างไรถึงจะให้การทำสมาธิเกิดผลจิตรวมได้เจ้าคะ <c oughs> นั่ง <c oughs> ทุกครั้ง <c oughs> จิตก็คิดวุ่นไปหมดตอนทำงานยุ่งมากจิตไม่มีเวลาคิดทำแต่งานแต่พอเราจะทำสมาธิจิตเริ่มว่างคิดใหญ่เลยเจ้าคะเริ่มท้อถอยเจ้าคะ ก็ต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆไม่ให้คิดเวลาที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดเช่นช่วงที่ก่อนที่เราไปทํางานนี้เราก็ฝึกสติไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําก็พุทโธพุทโธไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องงานเรายังไปไม่ถึงที่สํานักงานไม่ต้องไปคิดถึงงานตอนนี้หยุดคิดให้ได้ก่อนพุทโธไปอาบน้ําไปรับประทานอาหารไปพุทโธไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ อย่างนี้ก็จะช่วยให้ทำให้เราลดความคิดลงได้ควบคุมความคิดได้แต่ถ้าอยากจะดีก็อย่าไปทำงานเลยดีกว่าเพราะไปทำงานก็ต้องต้องไปใช้ความคิดมันก็เวลามานั่งสมาธิบางทีก็ทำให้หยุดคิดได้ยากัางั้นผู้ที่อยากจะภาวนาจึงต้องหาเวลาที่เหมาะสมเช่นวันที่หยุดทำงานไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องใช้ความคิด แล้วก็ไปหาที่สงบตามวัดต่างๆแล้วก็จะได้ฝึกสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดแล้วพอเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายคำถามจากคุณมิกกี้คะ่ะนั่งสวดมนต์และนั่งสมาธิง่วงครับจะทำอย่างไรต่อดีครับลุกขึ้นมาเดินเดินสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไปภายในใจการสวดมนต์เดินพุทโธไป จนกว่าจะหายม่วงจนกว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วกลับไปนั่งต่อคําถามจากคุณทันวาค่ะหากภาวนามาถึงจุดที่ร่างกายเราเป็นเหมือนขุนยนต์เราเป็นตัวบังคับขุนยนต์ที่เป็นร่างกายแม้แต่ความคิดก็เห็นว่ากําลังก่อตัวกลายเป็นความคิดถ้าคิดดีก็ปล่อยถ้าคิดไม่ดีจะถูกตัดทันทีไม่กลายเป็นความคิดจะสลายไปทันทีผมควรพิจารณาอย่างไรต่อ เพื่อเข้าทางสติปัญญานครับก็คิดเพื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความรู้สึกที่เกิดจากทางร่างกายปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยมันเกิดมันดับไปไม่ต้องไปอยากให้มันเกิดหรือ ไ, ไปอยากให้มันดับคําถามจากคุณนรมน์ค่ะพิจารณาอสุภะถึงช่วงหนึ่ง เห็นจิตมีราคาตันหาเองจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะก็แสดงว่าไม่ได้พิจารณาสุภาแล้วสุภามันก็ราคาตันหามันเกิดขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาพิจารณาสุภาใช่ไหมค่ะแล้วเกิดราคาขึ้นมาค่ะก็แสดงว่าไม่ได้พิจารณาสุภากะำลังพิจารณาสุภา คือความสวยงามกาลังดูเพลย์บอยอยู่มันก็ <c oughs> มันไม่ได้ดูหนังสืออนาทอมมี่องปเปิดหนังสืออนาทอมมี่ดูแล้วมันดูมันจะเกิดการมาราคะขึ้นมาหรือเปล่าคำถามฝากถามค่ะ <c oughs> ช่วงที่นั่งสมาธิ <c oughs> เกิดปิติบ่อยๆแล้วไปต่อยาน3มถึงสี่จะแยกได้อย่างไรว่าได้อัปปนาสมาธิหรือพวังขจิตเพราะดับหมดทั้งทวารห้า อ๋อมันรวมหมดศักแต่ว่ารู้เหลือแสกตไว้รู้จิตว่างจิตเป็นอุเบกขาน่จิตมีความสุขมากมันก็เข้าสู่ฌานที่สี่วิธีเข้าก็คอยดูลงหรือพุโทโธไปเรื่อยอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นเรื่องฌานก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ฌานไหนแล้วฌ้นหนึ่งหรือฌานสองถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็จิตก็จะไม่สงบต้องไม่ให้มีความคิดอะไรเลยแล้วก็ต้องไม่มีความอยากให้มันสงบด้วย นั่งให้ดูลมไปอย่างเดียวทําเป็นไม่รู้ไม่ชีว้ว่าดูลมแล้วมันจะพาเราไปไหนพุโทโธแล้วมันจะพาเราไปไหนไม่ต้องไปสนใจเหมือนกินข้าวเวลากินไม่นานมานั่งคิดว่ากูจะอิ่มเมื่อไหร่ใช่ไหมกินเขไปเรื่อยๆกินเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวอิ่มมันบอกเราเองเฮ้ยพอแล้วกินไม่ลงนะคาถามฝากถามค่ะกักแมวจอนเพศเมียไว้ในห้องให้อาหารและน้ํารวมถึงกระบะทรายเพื่อรอให้คลอดและจะพาไปทําปัน เนื่องจากแมวดุมากขู่และจะกัดจับไม่ได้แต่มาขออาหารทานทุกวันทุกครั้งที่ท้องตอนค่ําจะมาอาศัยนอนที่บ้านท้องสีรอบแล้วแต่ไปแอบคลอดข้างนอกเลี้ยงลูกข้างนอกและลูกหายไปตลอดจึงตั้งใจจะทําหมันให้จึงดักเอาไว้ในห้องเพราะดูเหมือนจะท้องอีกรบกวนถามพระอาจารย์ว่าการกักขังแมวไว้ในห้องเพื่อรอเวลาไปทําหมันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนเป็นบาปมากไหมคะ ก็เห็นว่านี่เป็นหน้าฝนเมือ่อคลอดแล้วจะพาไปทําหมันฉีดวัคซีนแล้วก็ปล่อยให้ดําเนินชีวิตต่อไปค่ะไม่บาปหรอกเป็นการรักษาพยาบาลหมอก็จับคนไข้ไว้ในโรงพยาบาลอย่งบาปว่าห้ามไปเที่ยวเนี่เวลาไปโรงพยาบาลหบอกว่าไปเที่ยวไม่ได้นะไปทำอะไรไปช้อปปิ้งไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้เพราะหมอต้องการรักษาให้เราหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็แบบเดียวกัน ยังมีอีกสองคำถามค่ะคุณคำถามจากคุณเกวลีคะ่ะหากมีคนอื่นๆที่เป็นลูกค้าของเรามาทําร้ายเราตลอดเราจะทําอย่างไรให้เขาเปลี่ยนความคิดหรือต้องปล่อยวางเจ้าคะถ้าบอกก็ได้แล้วเขเปลี่ยนได้ก็บอกถ้าบอกแล้วก็ไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องบอกก็ต้องปล่อยเขาทําไปตามเรื่องของเขาเราก็ให้เมตตากเขาอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาให้อภัยเข้าไป พยายามหลบเขาหรือเขาถ้ามันเข้ามาทําให้เราเกิดความเสียหายขึ้นมาแต่เราจะไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปทุบตีเขาไม่ไปด่าไปว่าเขาคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะพระเขี้ยวแก้วมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระพุทธศาสนาชคะเพราะลูกได้มาตอนที่ลูกไปทําบุญที่ที่วัดแล้วก็ติดรถไว้ตลอดลูกได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนที่หลวงพ่อสอนทุกวันจิตใจของลูกเริ่มดีขึ้นมากมันได้เกิด เป็นคนใหม่เจ้าค่ะพระเคี่ยวแก้วคงจะเป็นจำลองของจำลองพอพระพระพระพระเคี้ยวนี่หมายถึงเคี่ยวฟันของพระพุทธเจ้าหรูป้ปะเคี่ยวก็คือฟันก็คงหมายถึงพระธาตุของพุทธเจ้าของจริงเขาไม่เขาไม่เอามาแจกเราของของที่เราได้ของปลอมนั่นสุดท้ายมีไหมคำถามสุดท้ายค่ะอจาก สุรพงศ์มอเตอร์อินเตอร์เทรดค่ะเราควรจะไปทางไหนดีบางทีใจก็คิดว่าอย่ามาอย่าลืมทําทานทํากุศลแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะถือศีลภาวนาไปเลยควรจะเชื่ออะไรดีเจ้าคะจิตฝ่ายกุศลก็ชวนให้มาทําระดับล่างหรือควรจะไปทําระดับสูงเลยเจ้าคะเพื่อปฏิบัติให้ถึงนิพพานอย่างเดียวอ๋อให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะบอกอะไรมาให้เราจะไปทางไหนดีมันเอาเล็กถึงความตายอยู่เรื่อยๆ